พอนอบน้อมต่อคุณพะรัตนไตรโอกาสพระอาจารย์ทรงศิลปเพื่อนสนิมิตรทุกท่านเจริญธรรมเมติรญาตธรรมทุกท่านเราก็ได้มีโอกาสมาศึกษาพุทธสารหนากันเนาะครั้นี้ในพุทธสารหนาเนี่ยจริงๆและมีคำสอนมากมายนะที่อาจจะเปรียบได้เหมือน8 4 0 0มื่นรพันมคันหนังสือประตรปิฎกก็มีถึง สี่หรือว่าเล่มบางท่านก็ไม่รู้ว่าจะศึกษาตรงไหนดีนะมีมากมายแต่ถ้าโดยสรุปแล้วนะพุทธศาสนานี่มีประเด็นเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นนะคือประการแรกให้รู้จักทุกขประการนี้สองให้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นเนี่ยถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ก็ยังง่ายเนาะครนี้นะ่ย การที่ให้รู้จักทุกนี้คืออะไรนะทุกนี้ก็มีอยู่เพียงแค่2ประการเท่านั้นนะคือกายและใจของเราก็คือตัวเรานั่นเองนะกลับมาศึกษาตัวเรานะให้รู้จักตัวเราให้ชัดเจนนะตัวเราก็มีกายและใจนะหรื อ, อย่างที่กล่าวได้ว่ามี <c oughs> รูปมีนาม ขณะนี้ตัวเรา <c oughs> มีความทุกข์อย่างไรนะอย่างที่เราก็ได้สวดธรรมชาไปสักครู่นี้แบอบกว่าชาติไปทุกข์ข <c oughs> าชราไปทุกข์ขามรณะไปทุกขังนะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย น, นี้เนี่ยเป็นทุกข์นะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกข์นะ ความพัดภาคจากสิ่งเป็นรักก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความคับแย่งใจความขัดเคืองใจความโศความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5นี่แหละคือตัวทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็คื อ, อความทุกข์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ประจําสังขาเราอยู่แล้วเนาะ เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็หลีกไม่พ้นที่ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเป็นของประจำสังขารเราเลยนะแล้วความทุกข์ที่จอรมาในทางกายนะก็มีอยู่นะตอนนี้บางท่านก็จะรู้สึกมีความหนาวนะถ้าเครื่องกันหนาวไม่พอก็รู้สึกว่าเออมันทรมานนะมีความทุกข์นะหรือบางท่านอาจจะเริ่มปวดเมื่อยนะนัะ่นงแล้วรู้สึกปวดเมื่อยนี่ก็คือความทุกข์ บางท่านก็าจะรู้สึกง่วงนอนนะก็เป็นความทุกข์บางท่านหิวก็เป็นความทุกข์นะแต่ความทุกข์เหล่านี้เขาเรียกเป็นความทุกข์ที่เราแก้ขไขไม่ได้เนาะบางบางท่านคิดว่าเออเดี๋ยวเราเมื่อเราลุกขึ้นมายืนไปเดินก็หายนะแต่มันก็เป็นการบันเทาเท่านั้นเองเพราะมันไม่ได้หายจริงๆหรอกเดี๋ยวเราไปเดินเราก็เมื่อยเราก็ต้องกลับมานั่งอีกเราหิวเราไปทานอาหาร อ, อิ่ม นะมันแก้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็หิวใหม่นะง่วงก็ไปนอนนะพอตื่นขึ้นมานะมันก็ต้องง่วงใหม่ก็ต้องกลับไปนอนอีกแต่จริงว่าเป็นแค่การบรรเทาเท่านั้นเองนะเพราะนั้นทุก์ในทางกายจริงๆเราแก้ไขก็ไม่ได้หรอกนะเราแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นนะเพราะว่าเราเราแค่แก้ไปนะมันจริงๆเป็นการแก้ทุกข์มากกว่านะ เราเรานั sea, on, ite, ่งแล้วเราปวดเมื่อยเราลุกขึ้นมายืนมาเดินอันนั้นก็คือการแก้ทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากลับมาเห็นไหมว่าเป็นการแก้ทุกข์เท่านั้นนะมันมีทุกข์อยู่จริงแล้วเราก็ไปแก้เขาแล้วบางทีเราก็ไม่เห็นความทุกข์หรอกนะเขาเรียกว่าอิริบดปิดบังความทุกข์นั่นเองนะส่วนความทุกข์อีกอย่างนึ่งคือความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้นะ จริงๆแล้วนะความทุกข์ใจบางที่เราดูแล้วมันเล็กน้อยแต่ก็มันอันตรายกว่าความทุกข์กายเนาะเพราะความทุกข์ใจนีนะ้เป็นเหตุให้คนไปฆ่าตัวตายได้นะอย่างง่ายง่ายตานะเราเคยฟังข่าวตั้เยอะแยนะเนาะบางทีผิดหวังนะสามีทิ้งไปก็ไปฆ่าตัวตายนะบางทีแฟนทิ้งก็ฆ่าตัวตายนะบางทีแค่สอบไม่ได้เกรดสี่อย่างเดิมนะสอบได้ที่2 3.9 กกว่าไปฆ่าตัวตาย อันนี้ก็มีเยอะแยะนะหรือแม้แต่เศรษฐีเป็นหมื่นล้านนะขาดทุนลงไปแค่เป็นพันล้านแต่ยังมีเงินอีกเป็นหมื่นล้านก็ไปฆ่าตัวตายนะซึ่งคนเรานี้จริงๆแล้วก็ก็ร่างกายแข็งแรงดีนะแต่ว่าจิตใจเขาทนไม่ไหวในสภาวะที่ความทุกข์เกิดขึ้นมาในขณะนั้นนะแต่ความทุกข์ทางใจนี้ถึงแม้ว่าจะไรแรงและนาความโศกเศร้าให้มากกว่าก็จริง แต่กับสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวร น, นะอย่างเช่นพระอรหันต์นี่แหละท่านสามารถที่จะแก้ความทุกข์ทางใจได้แล้วนะแต่ความทุกข์ทางกายท่านยังมีอยู่นะแต่ใจของท่านนี่หมดความทุกข์ได้จริงๆนะตรงนี้ก็คือประเด็นที่พระเจ้าได้ส่งนํามาชี้แจงนะเพื่อการแก้ทุกข์นั่นเองนะก็คือการแก้ทุกข์ทางใจ การบิดธรรมนี่เป็นการแก้ทุกข์ทางใจและเพื่อให้สู่ความพ้นทุกข์นะซึ่งเราได้ทรงค้นพบขนทางนี้มา 2,000 ันกว่าปีแล้วนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วศาสนาผู้นี้แตกต่างจากศาสนาอื่นตรงไหนเนาะในทุกๆศาสนานั้นมีการสอนว่าให้ละความชั่วทําความดีทุกศาสนาเนาะแต่ก็มีเพียงพุทธศาสนาเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมา นอกจากละชั่วทำดีแล้วก็ให้ทำให้ใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสนะตรงนี้คือประเด็นสำคัญของหัวใจหลักพุทธนาก็คือทำใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองนะผู้ที่ใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วนะเป็นพระเยะเจ้าแล้วตรงนี้ท่านก็พ้นทุกข์ได้จริงๆนะะเป็นหนทางที่ว่ามันแตกต่างจากศาสนาอื่นนะเพราะฉะนั้นบา ง, บา ง, บ, างบางท่านก็เข้าพุทธนาเพียงแค่เปลือก เท น, นั้นก็มีมากมายเนาะเข้ามาทําบุญใส่บาตรรักษาศีลนั่นเองก็เป็นแค่เปลือกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าถึงแก่นของพุทธศนาอย่างแท้จริงนะแก่นพุทธศานาอย่างแท้จริงก็คือการเข้ามาศึกษาที่กายและใจเรานี่แหละเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะนะอยู่ที่กายและใจเราเท่านั้นจึงไม่ต้องไปค้นคนว้าศึกษาอะไรมากมายนะแต่กลับมาศึกษาที่ตัวเราแล้วเราก็จะค้นทุกขจากการที่เรากลับมาค้นคว้าศึกษาที่ กายและใจของเรานี่แหละครั้นะี้เนี่ยเราสังเกตได้ไหมว่านะเราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้เนะี่ยเราทำอะไรนะด้วยความเคยชินกันมาแทบจะตลอดชีวิตนะนะเราจะเดินไปไหนมาไหนนะเราก็จริงๆเราก็เดินด้วยความเคยชินนั่นแหละบางทีก็ไม่ได้คิดได้ซ้าเลยว่าต้องมีการก้าวเดินอย่างไรนะหรือว่าจะเดินไปไหน นะบางทีมันก็เดินโดยตนมัดตลอดเวลาเลยมันเป็นความเคยชินนะเราจะทานอาหารเราก็ทานด้วยความเคยชินจะซักผ้าก็ซักด้วยความเคยชินก็พูดได้ง่ายว่าเราทำทุกอย่างด้วยความเคยชินนะอันนี้นะก็เรียกว่าความเคยชินนี้มันเป็นความหลงนะนะเป็นความหลงซึ่งการหลงนั้นมาหลงตรงไหนนะหลงเข้าไปในอดีตนะหลงเข้าไปนอนาคต การหลงนี้เข้าเป็นอดีตอนาคตมันต้องใช้ความคิดนะต้องใช้ความคิดอยู่นะเพราะเราก็หลงไปในความคิดทั้งวันนะเดี๋ยวก็คิดไปถึงวันนี้จะกลับบ้านอย่างไรรถจะติดไหมกลับวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีนะกลับพรุ่งนี้รถนะก็คงจะติดน้อยกว่าวันที่4นะเราก็จะตัดสินใจอย่างไรดีนี่คือความคิดเป็นเรื่องของอนาคตนะคิดถึง เ, ออเมื่อวานวันก่อนอมา สวดมนต์ข้ามคืนกันนะโอ้บรรยากาศดีมากโอ้ปีหน้าอยากจะมาใหม่นะอย่างเนี้ยดีมากเลยเป็นอ่ได้รับอรุณได้รับความสุขอ่ความที่เรามาปฏิบัติธรรมข้ามปีกันกมีความสุขจริงๆปีหน้าต้องชวนเพื่อนมาใหม่ <c oughs> นี่ก็เป็นความคิดทางนั้นเลยเนาะนั่นก็คือความที่ไม่เป็นความจริงความสมมุติขึ้นมานะเป็นความหลงท้งนั้นนะ แต่ความจริงคืออะไรความจริงก็คือในขณะปัจจุบันนี่แหละเรารู้กายรู้ใจเรือไมอ่กลับมารู้ไหมขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่นะขณะนี้บางท่านอาจจะยกมือใต้อย่างบ ะ, ะหรือพลิกนิ้วพลิกมื อ, อกระดิกนิ้วคลึงนิ้วรู้ตัวในขณะนี้ไหมใช่ไหมอันนี้มันก็จะเปลี่ยนจากการที่เราไหลเข้าไปในอารมณ์ต่างๆไหลเข้าไปในอดีตไหลเข้าไปในอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน นะปัจจุบันเมื่อเรารู้สึกตัวมันก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ต้องคิดนะเนะพราะว่ามันเป็นแค่สัมผสัสรู้เท่า น, นั้นเองแต่บางท่านอาจจ ะ, ะพลิกมือความพลิกมือหงายก็สังเกตุรู้ไหมว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลยมันเป็นความรู้นะความรู้ที่เราไม่ต้องไปคิดว่าเขณะนี้เรากำลังพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายหรือไม่ต้องคิดว่าขณะนี้กํลาลังนั่งอยูนะ่แต่นี่ก็คือความจริงที่ปรากฏขึ้น ต่อหน้าเรานะต่อตัวของเราในขณะนีนะ้ซึ่งอันนี้มันก็คือการออกจากความคิดมาเป็นความรู้แทนรู้โดยไม่ต้องคิดนั่นเองนะสิ่งใดต้องคิดสิ่งนั้นก็คือความหลงไปนะยกเว้นที่เราตั้งใจคิดนะหรือแม้แต่สิ่งที่เรามองเห็นเฉพาะหน้านะเห็นพระประธานเห็นพระคุณเจ้านั่งอยู่เราก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันเพราะนี่คือความจริงที่ปรากฏต่อหน้าเรานะ แต่ถ้าเราคิดว่าเออเราจะไปไหนดีนะสถานที่ตรงไหนอันนั้นก็ความคิดเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละคือความจริงและความจริงนี้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกาลังนอนนะกำลังพลิกมือกําลังหายใจกําลังท้องพองยุบนี่แหละคือความจริงในขณะปัจจุบันแล้ว ความจริงนี้แหล ะ, ะเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะเพราะความจริงนี้จะนำให้เราเห็นความเกิดดับอของสภาวะธรรมได้นะนะบางทีเราเรายกมือสร้างหยางบาก็เห็นว่าเออมันก็เป็นการเคลื่อนและการหยุดมันก็มีสองอย่างนะมีเคลื่อนแล้วก็หยุดเพราะนั้นเมื่อมันหยุดอาการเคลื่อนมันก็ดับไปเมื่อมันเคลื่อนอาการหยุดก็ดับไปนะ หรือเราอาจจะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็ดับไปหายใจออกหายใจเข้าก็ดับไปท้องพองยุบท้องพองท้องยุบก็ดับไปท้องยุบท้องพองก็ดับไปอาการปวดเมื่อต่างๆนะเราก็เห็นเออเดี๋ยวเขาก็ดับไปอาการหิวเดี๋ยวเขาก็ดับไปเดี๋ยวเขาเกิดใหม่เราก็ดับไปเพราะทุกอย่างเขาเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเนาะ อันนี้สามารถลองดูได้นะบางท่านอาจจะไม่ไม่เคยได้ลอง อ, อดเข้าเย็นนะถ้าลองอตั้งใจอดเข้าเย็นดูนะว่าเราจะไม่ทานอะไรเลยแม้แต่นมแม้แต่น้ำปานะพอถึงตอนเย็นปั๊บมันจะหิวมากแต่ความหิวนั้นรับประกันนะไม่เกินครึ่งชั่วโมง ม, มันก็จะหายหิวหายหิวไปจริงๆแล้วนะนตรงนี้เราจะเห็นว่าเออความหิวเขาเกิดแล้วก็ดับได้เองเนาะแต่ถ้าเมื่อก่อนนั้น พอเราเหิว ป, ปั๊บไปไปหาอะไรทานนะไปหาอะไรทานทันทีเลยหรือไปทานน้ำปานนะเมื่อจะเห็นว่ามันความหิวมันก็ดับไปแต่ว่าเกิดจากการรับประทานแต่ว่ามันไม่ได้เห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับได้ตัวมันเองตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะว่าเราเห็นตรงนี้ไหมเห็นการเกิดระดับตามความเป็นจริงของเขาไหมถ้าเราเห็นความจริงในตรงนี้ว่าเขาเกิดระดับได้นี่แหละคือวิปัสสนาการรมฐานนะไม่ใช่เราไปแทรกแซงเขาเขาเหิวแล้วก็ไปทาน อาหารให้กขหายหิวนี่เป็นการแทรกแซงแล้วเราก็จะไม่เห็นความจริงในตรงนั้นน ะ, ะเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเรา <c oughs> สามารถอยู่กับความรู้สึกตัวได้คือความจริงในตรงนี้เราก็จะเห็นความจริงอยู่บ่อยๆนั้นะในการเขาเกิดระดับของเขาเองแลนะแม้แต่ความคิดเขาเกิดแล้วเขากระดับของเขาเองนะเราไม่ต้องไปคอยแทรกแซงว่าเออความคิดเกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปคิดนะความคิดไม่ดีจงอย่าคิดนี่คือการแทรกแซงเราเขาก็จะดับไปโดยฝีมือของเรา เราก็ไม่เห็นความจริงนะไม่เห็นความจริงนะเพราะว่าความเกิดดับนะเราก็ไม่เห็นวิปัสนาตามความเป็นจริงนะอาการทุกอย่างมันจะเป็นแบบนั้นเองนะแม้เราง่วงเต็มที่ก็เหมือนกันนะเรากล้าทนไหมที่จะเห็นเขาดับไปเองโดยที่เราไม่ไปแอบไปนอนนะหรือว่าไปทำอย่างอื่นที่เป็นการแทรกแซงอาการง่วงเหล่านั้นนะเช่เนไปล้างหน้าหรือกระทุบตัวให้มีความตื่นตัวขึ้นมา แล้วความง่วงก็ดับไปอันนั้นคือการแทรกแซงทั้งหมดเลยเราไม่ได้เห็นเฉยๆไม่ได้รู้เฉยๆนะแล้วความจริงก็จะไม่ปรากฏว่าเออความง่วงมันเกิดแล้วก็ดับไปนะซึ่งเราก็จะไม่เห็นสภาวะที่มันเกิดแล้วดับนะตามความเป็นจริงซึ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะเพราะการที่เราเห็นอาการที่เขาเกิดแล้วดับบ่อยๆนั่นแหละจิตก็จะเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วเขามาแล้วก็ไปนะเขาไม่ได้ตั้งอยู่นานนะการที่เขามาแล้วก็ไปคือเป็นสิ่งที่เร า, เารบังคับบัญชาก็ไม่ได้ เ <Jana, S 2> มื่อเราวงบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเมื่อไม่ใช่ตั ว, ตวไม่ตนของเราเร า, เราก็จึงสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะแต่เมื่อเราสามารถที่จะ roller, ทําให้เขาตามที่เราต้องการได้นะให้เขาหายง่วงให้เขาหายหิวให้เขาหายจากความคิดให้เขาหายจากลมต่งางได้มันก็จะเกิดฝีมือเราขึ้นมาเกิดตัวตนเราเออเราเก่งนะเราสามารถที่จะทําให้เขา เป็นไปตามเราต้องการได้นะตรงนี้นะเราก็จะมองไม่เห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้แต่กลายจะเป็นว่าเราบังคับบัญชาเขาได้นั่นก็คือความเป็นตัวตนของเราก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะนะเพราะนั้นจริงๆเราคื อ, คอนะเราสามารถที่จะรู้เฉยๆได้ไหมในทุกๆ ก, การของกายและใจนะโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงไปบังคับเขาในะยางที่ว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะก็คือเราไม่หน้าที่ดูไม่เป็นผู้เป็นนะ ครูเป็นกนะ็คือไปคอยจัดการเขาไปคอยที่จะเป็นอาการต่างๆมีความเครียดนะตรงนั้นนะแล้วเราไปจัดการความเครียดนะเราก็เป็นผู้ที่ไปจัดการแล้วไม่ได้เป็นผู้ดูเฉยๆนะเป็นการแค่รู้ไม่ใช่ไปทำนะไปทำก็คือไปคอยจัดการที่จะให้ระดับไปตามความต้องการนะเพรา ะ, ะนั้นครูบาอาจารย์ถ้าเคยบอกว่ารู้ซึกๆนะรู้เฉย นะตรงนี้นั่นแหละเป็นการไม่เข้าไปจัดการเป็นแค่รู้โดยที่ไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปทําสิ่งต่างๆเพราะธรรมะที่แท้จริงก็คือให้รู้ตามที them, ่เาเป็นไม่ใช่ให้เขาเป็นตามที่เราต้องการถ้าเรารู้ตามที่เขาเป็นนั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเราให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นแหละคือสมถกรรมฐานเพราะการที่เรารู้ตามที่เขาเป็นก็คือเรารู้กายและรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นเอง นะกายจะเป็นอย่างไรเราก็รู้ไปแบบนั้นนะจิตมีอาการอย่างไรเราก็รู้ไปอย่างนั้นตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปจัดการเพื่อจะได้เห็นว่าเออความเกิดดับมันเกิดขึ้นจริงๆเนาะเกิดโดยตัวสภาวธรรมของเขาเองไม่ใช่เกิดจากฝีมือเรานะแต่เมื่อใดตาบใดที่เราเริ่มเข้าไปแทรกแซงนะเข้าไปจัดการให้เป็นไปตามเราต้องการเช่นไม่มีความโกรธก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีแล้วก็ทําให้เขาดับไปนะ นะเมื่อมีความคิดเยอะๆฟุง้งซ่านแล้วก็ทําให้ขดับไปนะสิ่งต่างเราเนี่ยเป็นการแทรกแซงทุกๆทุก ท, กทวาธรรมเราก็จะไม่เห็นว่าเออเขาเกิดดับมันเขาได้เองนะความโกรธจริงๆแล้วเขาเกิดเขาก็ลงดับแน่นอนนะไม่เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เร็วเท่ากับทิศใจเราต้องการเราก็เลยแทรกแซงซะเลย น, นะนะแต่ถ้าเราใจเย็นๆคอยดูเออรู้ไปเฉยๆนะ รู้เฉยๆเขาก็ยังโกรธอยู่ก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปรู้เฉยๆเท่านั้นนะตรงนี้เรากล้ารู้ไหมนะถ้าเรากล้ารู้เราก็จะเห็นว่าเออเขาประเดี๋ยวเขาก็ดับไปแล้วนะมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเออมันสภาวธรรมเป็นเช่นนั้นเองนะเข้ามาแล้วก็ไปอ่านะเป็นเช่นนั้นเองเป็นตัตาเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยนะเราปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อวานนี้ดีนะวันนี้ไม่ดีเมื่อเช้าดีตอนบ่ายไม่ดีนะ ก็เขาก็แสดงสภาวธรรมตามความเป็นจริงเขาแล้วว่าเขาก็ไม่เที่ยงนะเราจะบังคับให้เขาเที่ยงไม่ได้หรอกเพราะทุกๆกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะแต่เราจะบังคับให้เขาเที่ยงนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์เราเองเอีกเพราะเราพัฒนาสิ่งใดเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นเราก็มีความทุกข์อีกเนาะเราแค่รู้ตามความเป็นจริงได้ไหมเขาไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงก็ไม่เป็นไรเราก็มีหน้าที่รู้เท่านั้นเองแต่นี่แหละเรากลับเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ ตรงนี้เมื่อเราเห็นบ่อยเข้ามาเห็นบ่อยนะคือการเห็นสภาวธรรมไม่ต้องเห็นบ่อยจนจิตเขาเนี่ยเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขายอมรับในตัวของเขาเองได้เขาก็ปล่อยเขาวางเขาเองเราไม่ได้ไปบังคับว่าจิตต้องปล่อยวางนะจิตต้องไม่ยึดมั่นถือมันนะจิตต้องไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้เราไปบังคับเขไม่ได้หรอกเขาปล่อยเขาวางเขาก็ทำเองเขาเองทํำด้วยความเข้าใจนะด้วยความที่เราว่าเขา เห็นละภวะธรรมบ่อย ๆ, ๆเขาเข้า <ๆ S 2> ใจเขาเกิดการยอมรับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็ปล่อยเขาเองนะเราไปบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้เลยนะการบังคับทุกอย่างเป็นตมถะทั้งหมดเลยนะการหาเหตุหาผลมันก็เป็นสมถะมันไม่ใช่เป็นการรู้จริงๆเพราะการรู้มันไม่ได้ไปคิดอะไรมันแค่รู้สึกเฉยๆก็พอแล้วมันเห็นเป็นการเห็นตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องคิดนะแต่เมื่อเราเห็นแล้วก็เขามีความคิดก็ไม่เป็นไรคิดเราก็เห็นไปเออเขาคิดก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็เห็นความจริงตรงนี้นะเนื่องจากสภาวธรรมถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะเห็นว่าเออกายนะเราก็เข้าใจถึงความทุกข์ในทางกายที่เราบังคับเข้าไม่ได้เลยนะเราก็มีหน้าที่บรรเทาทุกข์ส่วนใจนี่แหละมันอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วกเกิดเกิดขึ้นได้บ่อยมากในแต่ละวันนะมันก็มีความพอใจมีความไม่พอใจมีความรักความชางังความโกรธความโลภความหลง ความหึงหวงความอิจฉาลิสยาความน้อยใจความเหงาความเครียดความกลัวต่างๆเกิดขึ้นทั้งวันนะอาการที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเราบังคับเขาไม่ได้นะใครๆก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีนะแต่มันก็โกรธนะหรือว่าเราก็รู้ว่าเออเราไปคอยเพ่งโทษเขาไม่ดีนะแต่ใจมันก็ชอบไปเพ่งโทษนะบางคนก็ชอบนึกตำหนิคนก็อยู่เรื่อยๆนะนึกตำหนิในใจไม่ไหวก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นฟัง นะหรื อ, อเรานิสัยอาจจะไม่ดีหลายหอย่างน ะ, ะเป็นคนขี้ระแวงขี้นะขี้จับผิดคนขี้กลัวต่างๆนะไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆเราเราอยากเขาเกิดขึ้นไหมนะเราไม่อยากเขาเกิดขึ้นหรอกแต่เราสังเกตไหมว่าเขาเกิดขึ้นมาเองนะอาการเหล่านี้ก็คือความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไรกับความทุกข์นะในอริยสัจสีกิจของความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้นะไม่ต้องไปละเขา ไม่ต้ไปละความทุกข์อารมณ์ต่างๆคือความทุกข์ให้เรารู้ประการสําคัญเรารู้ไหมนะเรามีสติรู้ทันไหมขณะนี้กาลังโกรธกำ ล, ล, ลังหงุดหงิดกําลังรักกำลังชังถ้าเรารู้ทันนะจริงๆเรารู้เฉยๆนี่เขาก็ดับไปครึ่งหนึ่งแล้วนะดับไปครึ่งหนึ่งเลยแม้แต่เราความคิดเรารู้ขณะนี้กําลังคิดนี่เขาดับไปครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้ากําลังจิตเราดีเขาดับไปหมดเลยนะมันมีกําลังในตรงนี้อยู่สําคัญว่าเรารู้เขาไหม นะปัจจัยแรงเรารู้ทันเพราะว่าเราระลึกได้ไม่มีสติรู้ทันไหมประการที่สองเมื่อรู้แล้วทําอย่างไรนะก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยๆอย่างที่ไม่แทรกแซงอย่างที่ได้บอกมาแล้วรู้ไม่ใช่ทำนะรู้เฉยๆนั่นะแหละเมื่อรู้แล้วเขายังตั้งอยู่ความโกรธยังตั้งอยู่ก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปเฉยๆอีกเพราะว่าการรู้เฉยๆนั่นะแหละเราก็จะเห็นสภาวะรมตามความเป็นจริงนะว่าเขาเนี่ยเป็นความทุกข์นะความโกรธเป็นความทุกข์น่ะ จิตก็จะได้จําสภาวธรรมได้นะตอไปเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาอีกครั้งจิตมันจําได้มันทุกข์มันก็ไม่อยากโกรธแล้วนะอ่ามันก็จิตจำความโกรธได้เร็วขึ้นแล้วมันก็จะวางความโกรธได้เร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปไปวางกับเขาไม่ต้องไปวางนะแต่จิตก็จะจําได้แล้วเขาจะวางเขาเองนะเพราะว่าจิตจริงๆแล้วเขาจะฉลาดแะเขาไม่โง่หรอกนะเราอยู่ในภัยอันตรายอะไรปุ๊บจิตมาอ่าสติมาทันทีเลยนะความรู้สึกตัวมาทันทีนะลองใกล้จะประสบอุบัติเหตุนี่มันเข้ามาทันทีเลยนะ นั่นแหละจิตเขาช่วยเราอยู่ตลอดเวลานะเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่เราให้โอกาสเขาไหมที่ว่าเราจะให้เขาลึกได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ให้เขารู้เฉยได้บ่อยขึ้นเท่านั้นเองนะเขาก็จะจําสภาวธรรมได้มันยําแล้วก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางในสิ้นเขายึดติดได้ง่ายขึ้นพอค่อกหน่อยเขาจะศึกษาเรียนรู้ว่าเขารักใครเขาจะทุกข์พระคนนั้นเขาห่วงใครเขาก็จะทุกข์พระคนนั้นนะเขาผูกพันใครเขาก็จะทุกข์พระคนนั้น นะจีก็จะค่อยๆรู้โดยตัวเขาเองแล้วเมื่อเขารู้ในตรงนั้นเขาก็จะปล่อยความรักความห่วงความผูกพันกับใครให้ลดน้อยลงนะโดยที่สุดเขาก็จะกลับมาพิจารณาตัวเาเองว่าเออตัวเรานะเมื่อเรารักตัวเรานะเรายึดมั่นในตัวเราเราผูกพันในตัวเราเพราะนั้นใครก็จะมาว่าเราไม่ได้ใครจะมากระทบกระเทียบเราไม่ได้ใครจะมานินทานเราไม่ได้เราจะโกรธทันทีนะ แต่เมื่อเข้ารู้ในตรงนั้นเขาจะเริ่มปล่อยเริ่มวางความยึดถือในตัวตนนี้ลดน้อยลงนะเราจะเห็นว่าออพอใครมานินทาเราใครมากระทบกระเทียบเราในทางไม่ดีใครมาค้อนเราใครมางอนเราใครมาทําไม่ดีกับเราเราก็จะเริ่มเฉยเฉยละมันก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางความยึดติดในตรงนี้แหละความเป็นตัวตนเราก็จะลดลงนะเพราะ ม, มันเมื่อตัวตนมันค่อยๆเบาค่อยๆลดลงแล้วมันความทุกข์ต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่าความยึดติดมันน้อย นะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันจะออกมากระทบในตัวเราก็จะน้อยลงไปด้วยนะมันจะมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปมันไม่ได้เข้ามายึดมั่นแบบสมัยก่อนนะอ่านะพอมาปุ๊บโอ้มาติดตัวเราเลยนะมาติดตัวเราเขาว่าเราเข้าด่าเราแต่เพื่หน่อยเราตัวตนมันเบาลงมันก็ผ่านไปผ่านไปนะมันไกลายว่าเออว่าใครก็ไม่รู้นะมาว่าอะไรก็ไม่รู้นะบางคนออ่าพ่อแม่รักเรานะ พอเราเข้าใจปุ๊บพ่อแม่รักตรงไหนของเราอ่ะมารักรูปเราเหรืออ่ารักเวทนาเราหรือรักสัญญาเราหรือรักสังขารเราหรือหรือรักวิญญาณของเรามันไม่รู้ว่าเขามารักเราตรงไหนนะหรือเราไปรักคนอื่นนะไปรักคนรักของเราเรารักตรงไหนเขาล่ะรักตรงรูปเขาหรือรักตรงเวทนาเขาหรือรักตรงสัญญาเขาหรือรักตรงสังขารเาหรือรักตรงวิญญาณเขาหรือเราไปรักตรงไหนเขาล่ะใช่ไม ไม่ห็มีอะไรที่เราต้องมีรักเขาเลยมันเพราะวทุกอย่างมันก็เป็นแค่รูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองเนาะรูปนามมันคืออะไรมันก็จริงๆมันก็แค่รูปแค่นามนะไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยานะแล้วเราไปรักอะไรเขาล่ะความรักนั่นแหะมันแค่เราไปติดไปยึดเท่านั้นเองว่าเออตรงนี้เป็นผู้หญิงนะอตรงนี้เป็นผู้ชายตรงนี้เป็นลูกเราตรงนี้เป็นสามีเป็นภรรยาเรา อันนี้มันแค่สมมุติขึ้นมาเท่า น, น, นั้นเองนะสมมุติเท่านั้นเองแต่โดยสภาพควาความจริง er มันก็แค่คือแค่รูปแค่นามนะรูปนามสุนักมันก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันงะูก็เป็นรูปเป็นนามนะหนอนก็เป็นรูปเป็นนามแมงวันก็รูปเป็นนามนะสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมันก็นรูปเป็นนามมืนก็หมดแล้วแล้วเราไปผูกยึดเขาไหมนะเราก็ไม่ผูกยึดนะเพราะฉะนั้นทุนกอย่างก็คือรูปคือ น, นามเราจะไปผูกยึดทําไม เพราะว่ารูปนามมันก็คือสภ า, าะวะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่ตัวไม่ตนทั้งนั้นมันแค่สมมุติขึ้นมาเองอ่ามันก็สม ม, มุติว่านี่ผู้ชายนะนี่ผู้หญิงนะอ่านี่เด็กนี่ผู้ใหญ่นี่สวยนี่ไม่สวยอ่านี่เป็นพระนี่เป็นโยมมันก็เป็นแค่สม ม, มุตินะแต่ความเปนจริงมันก็ Sabrina. เป็นแค่รูปแค่นามนะแล้วจริงๆแล้วรูปนามมันก็ไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นนัตตาไม่ตัวไม่ตนทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็คือความถอดถอนความยึดมั่นถือมั่น การติดในสมมติทั้งหลายแหละให้มันเบาลงวางลงนะแล้วเมื่อมันเบาเบาลงถึงระดับหนึ่งนะจิตเราก็จะยกสูงขึ้นจากการที่เราจะไม่ยึดติดในทุกสภาวะธรรมนะโดยเริ่มไม่ยึดติดในตัวเราก่อนนะอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเอ อ, อสังโยชน์สิบนั้ น, มนเมื่อผู้ใดละสังโยชน์สิบได้ก็เป็นพระเยเจ้าระดับพระรหันต์นะแต่สังโยชตัวแรกก็คือสักกยายญาติทิก็คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้นะถ้าผู้ใดสามารถที่จะละสักกยายญาติทิได้ โอกาสที่เป็นบรรลุเป็นพระรยาเจ้าตามลําดับขั้นมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้มันจะกลับมาเห็นว่าเออจริงๆแล้วกายและใจมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานั่นเองมันก็จะเบาลงนะเมื่อมันเบาลงกิเลสอย่างอื่นก็จะเบาลงตามไปด้วยตามลําดับมันเรียกว่าล้มเป็นโดมิโนเลยนะแต่เมื่อมีตัวมีตนของเราแล้วกิเลสตัวอื่นมันก็ตั้งนะมันจะตั้งเป็นแถวมันจะไม่ล้มแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นในขั้นแรกนะมันก็กลับมาศึกษากายและใจของเรานี่แหละ ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตตาบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะไม่ตัวไม่ตนเนี่ยก็คือกลับมาเห็นบ่อยๆในสภาวะที่เขาเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตามความเป็นจริงแล้วจิตก็จะค่อยๆเข้าใจนะค่อยๆเรียนรู้นะค่อยๆศึกษาแล้วจิตก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางตามที่เขาเข้าใจเช่นนะั้นนะเข้าเข้าใจมากเขาก็ปล่อยได้มากเขาก้าเข้าใจน้อยเขาก็ปล่อยได้น้อยนะอยู่ที่ว่าเราศึกษาได้ถูกทางไหม นะถ้าศึกษาไม่ถูกทางมันก็จะเสียเวลานะบางคนว่าออไปบัตรมาต้องหลายปีแล้วไม่เห็นก้าวหน้าเลยยังมีกิเลสมากมายนะมีความโลภความโกรธความหลงมากมายนะอันนั้นเพราะเราไม่เข้าใจนะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะละกิเลสละความโกรธความโลภความหลงนะหรือจริงๆไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพื่อละตัวตนของเราแม้แต่เล็กน้อยนะแต่โดยความเป็นจริงแล้วนะ ตัวตนหรือกายหรืใจนี้มันไม่มีตั้งแต่ตนแล้วนะอย่างที่ครูเจ้าเลยส่งบอกไว้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตานะขันห้านี้นะมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตามันไม่ตัวไม่ตนไม่ควรยึถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราตั้งแต่ตนแล้วนะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายที <lands. S 2> ่มันเกิดกากใจนะไม่วความโลภความโกรธความหลงมันจึงไม่ให้ตัวตนไม่ใช่ของเราตั้งแต่ตนแล้วเหมือนกัน นำมันเพลนไอจรมาแล้วก็จอนไปเราบังคับได้ไหมว่าออขณะนี้ยา g ุ่นงิดนะแล้วเราไปคอยขับไล่ความ g ุ่นงิดหรือต้องอยามีความ g ุ่นงิดมันทําไม่ได้หรอกนะความ g ุ u หงิดเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปอยู่ที่ว่าเราสังเกตเขาทันไหมแล้วเรารู้เฉยๆยไหมเขาก็ดับไปนะเพราะเราไม่ต้องไปละ ก, กิเลสใ ด, ดๆเลยนะถ้าเราลา ก, กิเลสขนาดเราจะเข้าใจว่าเราปฏิบัติทํำไม่ได้ผลไม่ก้าวหน้าเพราะว่ากิเลสยังอยู่เออไปบมาหลายปีแล้วทำไมมีความโกรธอยู่ นะไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขานะเพราะเขามาแล้วก็ไปตามหน้าที่ของเขาเองนะไม่ไม่ให้ตัวไม่ตนของเรานะเมื่อจิตไม่ใช่เราแล้วสิ่งที่เกิดจากจิตเช่นกิเลสทั้งหลายจึงไม่ใช่ของเราด้วยนะเราก็แค่มีหน้าที่รู้เท่านั้นเองไม่ไปยึดติดไม่ไปให้ค่าไม่สนใจแล้วเขาก็ไปเขาเองนะเพราะมันไม่ใช่เราตั้งอะต้นอยู่แล้วและก็ไม่ใช่ของเราในปัจจุบันนะเมื่อเราไม่ข้ามทุกอย่างเขาก็จะไปของเขาเองหมด นะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําอะไรให้เรามีความทุกข์เลยนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะเริ่มก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราก็มีหน้าที่ทุกอย่างรู้ไปตามความเป็นจริงเราก็ไม่กลัวกิเลสต่อไปอย่างเราก็อยู่กับกิเลสได้แต่ต่างคนต่างอยู่นะเมื่อก่อนกิเลส เ, นะเป็นของเรานะความโลบความโกรธเป็นของเราแต่ในตอนหลังก็ต่างคนต่างอยู่เข้ามาก็อยู่ส่วนเข า, เ, าเราก็อยู่ส่วนเราเราจะเห็นว่ากิเลสก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่ง ผู้รู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะมันยากกันเช่นนั้นเลยเนา ะ, ะตรงนี้เราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นแล้วว่ากินอะเป็นของเรานะหรือร่างกายก็เป็นของเราหรือจิตใจก็เป็นของเราเนะพราะเราเข้าใจเข้าใจตามความจริงทีพระได้าทรงสอนไว้แล้วว่า อ, อย่างที่ในตัดไวในในอนัตตารสูตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณนีน้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะตามคิดว่าของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นของเราไม่ควรตามคิดชนะมาเจ้าข้าเนี่ยหลังนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงแยกแยะว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนตาอย่างไรหลังนั้นปยวคีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเนไเป็นสิ่งที่ว่าเมื่อใครเข้าใจในความเป็นจริงนี้แล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนต่าผู้นั้นย่อมก้าวเข้าสู่ขนทางแห่งการรู้ธรรมได้ไม่ช้าก็เร็ว และนี่นี่คือความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงในสภาปัธรรมทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเท่านั้นเองนะสมดังที่พระเจ้าเลยทรงสรุปเอาไว้ว่าสัพเพธรรมานาราัอพิณเวสายะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมันนะีตรงนี้นะเมื่อเราเข้าใจจิตก็จะเริ่มที่เรียกว่าเขาจะเข้าใจดยตัวเขาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเหมื่ก็น้ำหยดลงไปในตุ่มแม้แต่เพียงวลยุทธ แต่ในสุดเขาก็จะเต็มตุ่มได้ชันใดาการที่เราก้าวเดินเพียง 9, ก้าวแต่และก้าวแต่ละก้าวแต่9ยังถูกทางเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางชั้นนั้นอยู่ที่ว่าเราจะก้าวเดินหรือไม่นะเราก้าวถูกทางหรือไม่นะในท้ายที่สุดนี้ในโอกาสปีใหม่2558นี้ looking, <า>ก็ขอรัตน า, นาบรมีคุณพระร า, าตไตรได้น้อมนาำให้ทุกท่านาเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันุ์ทุกท่านเทอญ